อันอุดมสมบูรณ์ีปอืมสังธ์ทานนั้นยี่งใหญ่นั่นก็มหาทานมีครบมีข้าวเม่ามีอะไรของหวานของทิบที่ท่านจัดอืมบูชาธรรมอืของพระบรมโคศรัสาเอกของโลกที่เป็นเมตตาอืสอนเมตตาโบสธพวกเราทั้งหลายเออมเป็นว่าสองพันกว่าปีเลยศาสนาก็ยังอยู่กับพวกเรา พวกเราก็ถือว่าโชคดีสมมพุทธสนาุตมพนระธาสตพุทธศาสนาคุณกิติมูลเพื่อนประธานสมมตสนุกมเพื่อนประอานสมมกิพุทธศาสกเพื่อนบอกธานสมพนาคกิมเพื่อนรักาักแมงกันทั้ง น, น, น า, นงาน ค, นาคาุณมูลเพอนปานมมติพุทธานาคกมูเพือนปาสมมติพุทาม น, น, น, นาคนณกมพือนระธมทธาสนาคมลื่อนประธามมิพุทาสนก็จะมด้เพื่อนปรธนสมรรค์ไทธศานาคุณกิสัยเข้านส่มตธานกิติเพ่นราน ถ้าตั้งใจก็ในปัจจุบันนี้ยังมีเวลาของพวกเราจะได้ภาวนาเดินทางคววมเพียรก้าวหน้าต่อไปนั่นยังมีมาอีก น, น้ำปนะน้ำยาเ <c oughs> ทศกบวัต ม, มาเยี่ยมมายามมาโปดรดลงผูกก็จะได้สุขภาพแข็งแรงอ้วนพีมีพญาาปัญญา <c oughs> พี่น้องอยู่กันไปเรื่อย ถ้าถึงเวลาอะไรก็โตภัยโตมันได้คุณอื้สมจมลพุทธศาสนาบรมสุขสุขอะไรก็บอคือสุขจิตสุขใจก็เดินใจ ต, ตามหัวหน้าหละตามสะพานบุญที่เพิ่งแต่งไว้ขยับขยเลื่อนไปข้า พ, พเจ้าทั้งหลายเกิดมามากมายตัอมากนับประพันธไม่ได้ข้าพเจ้าก็อยากตามสเสด็จไปสู่มรรคผลในพานก็พากันถึกต้องดีงามเลยสวมนอ ก, นอ ก, นอก ไม่ออกอำเภอน า, านาครพนมจังหวัดนครพนมแล้วที่ศาสนาไปเกิดอยู่ที่นั่นจังคนนครพ่อแม่ลวงปู่มั่นไปเหยียบไปเมตตาให้ลูกหลานเข้าในองค์ศิ่องค์ธรรมนั่นแหละองค์สิ่องค์ธรรมนี่นเป็นยอดเยี่ยมเป็นเลิศในดวงจิตแต่ละทัดละคนคือว่านอบ น, อบนอบ้อมเหนาโมสองโตนี้ถ้ารักษานาโมสองโตนี้ได้ บางทีไม่ได้มาเกิดมดทุกคนเลยตามกันไปได้ผลว่นาน้ำโมลงน้อมลงปุ่มอันมาโดยขะน้อยเห็นอย่งก็นั่งลงน้อมลงโทกอย่างเพราะว่าเขตดหลาบในการเกิดมันทรมานมันทุกผลวันลองตะเวรลองให้สงสารตัวเองที่ตกไปทางต่าในมากก็ขึ้นข้างบนสิบหกชั้นฝ้าสิบห้าชั้นเด่นนี่คือเราขึ้นตึกใหญ่หญของเราขึ้นไปสู่มแ้วก็ลงมาอีกอถ้ากายนั่นไปก็เข้าสู่มรรคผลนิพพาน ก็ให้มีกรรมอันใดจะเข้าไปบังคับดวงจิตดวงใจของพวกเราไม่มาจากพระบิดามารดาที่ประทานส่งลมกล่าวไปนั่นแหละมือเพื่อนรักฮักแพงไปถึง ค, คุณครูอาจารย์ไปถึงพระมหากษัตริย์ที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองพุทโธธรรมโมสังโคมาโปดอรมศาสตรศาสนาพระมหากษัตริย์รับธรรมพระเจ้าไวไรเมืองไทยก็ อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงพวกเราก็ขอให้เป็นสุขเป็นสุขต่อไปข้างหน้านุมงทนาบุญละไรจงคอยว่ากันไปเนาะ่างทียนี่ใช้เวลามันเยอะเลยนิยะถาวารีวาหาปุราปริปุเรนตีสากรังเอวเมวะอิโตดินนางเปตนานังอุปกะปติ สิตสีตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทตตุสภะผู้เล่นตุสังภาปะจันโทปนาลสูยาธามณีโสติละสูยาธาสัยวิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภาวาวันตารายโยสุขีดิขายุโกภวาอาภิวาธานาสิเลสนิจจังวุธาปะจิโน จัตตารุธรรมวทานติอายุวโนสุขัง มาลังอาญจารโหดกินาดินนาหิโสปฏิทิตาหิขารตังหิตายาสาธานาโสอุปาปิโสยาติธัมโมจายังนิทัสิโตเตทานาบุษะจักกะตาุลลาลาารันชาภิกขุนมโนปารินัง ตูมให้หิปุญญางปสุตังอนาปกัน์ตีอายุโดภาละโดทิโลวันนาโดปฏิภาณนาโดดูคาสัตตาเมธาวีสุขังโสอธิคัสติอายุงถัตวาภรังวัณนางสุขันจปฏิภาณนาโดนีคายุยาสวะโหติญาทายทูปปาสติตี พาวะตูสะพมังคารังหลักขันตูสะปฏิวตาตาพามุทฐานุภะเวนัสดาโสธีพาวันตุเตพาวะตูสะพมังคารังหักขตูสะปฏิวตา สาพาธรรมานุภาเวนะสาโุทิภวันตุเตภาวัตุสาภังคารังราคันตุสาปฏิวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสาธุทิภวันตุเต